بسم ال الله الرحمن الرحيم อินน الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سائئلات أعمالنا نجاهد الله فلا مضللة وَمَن يُضلِّلَ ف َ ل َ ه َ دِيَلَة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م, م, م ح م د ا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نموت وبك نحيا وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلق ت ั้งิแล عبد ك คและอัน علىعهد ุค وع ด ك คไม س สตภาพุอับูอุลกับน ل ยา ب ติคัลัยและอับูบิดัมบิฟักฟิร์ลีฟะอินหุลาญหฟรุณูบะอิลลัอันดะอัลลอฮุมอ ل นนีอาอูซุบ ل กะมินชัรพี่น้องที่ร่วมนมาศ สวัตอเาหรุนามาวันจัร์ขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه แะตาที่อัลลอ์ให้เราได้ถือศึนอดวันนี้เป็นวันที่สุกเสาร์อาทิตย์จันคร์พุธประหัสสุกเสาร์อาทิตย์จันารพุธประหัตสุกเสาร์อาทิตย์วันที่สิบเจ็ดวันนี้บวชเป็นวันที่ส7บเจ็ด ครึ่งกว่าแล้วสาสาว่าวัยนะววๆที่ววๆเนี่ยเพราะว่าหะ ด, ดีษของท่านนาบีเคยสอนไว้นบีเคยบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกวันเวลาเนี่ยมันจะกระชั้นชิดความรู้สึกของคนเนี่ยปีนึงแคปเดียวเดือนนึงแคบเดียวอาทิตย์นึง โอ้ oh, แป๊บเดียวยิงวันหนึ่งแป๊บเดียวความรู้สึกเนี่ยของคนใกล้ๆวันเกียร์มาเนี่ยพองานมันเยอะงานมันยุ่งยุ่งแล้วก็เลยมองอะไรมันอะไรมั น, ม, น, ม, นมันสั้นสั้นสั้นเล็กเล็เล็กเล็กลงหมดเลยก็นี่เราก็มีความรู้สึกอย่างนี้แหละวันนี้นะตรงที่ท่านอบเีเตือนเอาไว้ให้เราเข้าใจขอบคุณเลาล้อนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ อ่านกุรานมาถึงอายาที่70ในอายาที่เจนี่มีขอทวนนิดหนึ่งนะครับวะลลอฮฺคอยละก็กุ่มนี่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังชีวิตบนดุญญนยาเนี่ยเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนบนโลกดุนยาเป็นอย่างนี้วะลลอฮฺคอยละก็กุมอัลลอฮ์ทรงสร้างส่เจ้าขึ้นมาให้มีชีวิตขึ้นมา แล้วอยู่ไปอยู่ไปซุมมายตะวัฟ้ากุ่มแล้วก็ต่อมาก็ให้สู่เจ้าตายนี่ชีวิตบนดุญยาเมื่อวานก็ญาติของเราเสียคุณต้อยเย็บของโซภาเป็นญาติสนิทก็กลับไปหาเอาววะนี่ตรงกับกุณาญาณนี้ว่ามิ่งคุมไม่ ย, ยู่รดดูอีลาอัลใจลิลอมุมริ แล้วก็ในหมูส่สูเจ้านะ่บางคนนะอายุเยอะอายุมากในช่วงอายุมากๆเนี่ยอยู่ในช่วงที่ไม่ดีคืออธิบายไงช่วงไม่ดีก็คือช่วงที่อายุแก่มากเนี่ยจำอะไรไม่ได้บางคนอัลละอธิบายตัวไปอีก ลิกายละยาละมมบ่ดด้าอลมินชชยฮาพวกเขาไม่รู้ไม่รู้อะไรมาถึงลืมหมดสมองดีๆกลายเป็นสมองไม่ดีคนที่แข็งแรงก็อ่อนแอคนที่ <c oughs> เคยท่องจำอะไรอะไรเยอะๆพออายุมากแล้วก็ความจำก็เสื่อม หูก็ตึงตาก็ไม่ก็เห็นมันกลับมาในสภาพที่แย่เหมือนตอนเด็กๆนั่นแหละบางคนไม่ใช่ทุกคนด้วยเหตุนี้อัลลอฮจึงนบีจึงขออุอานาบีให้เราท่องดุอาให้เราขอดุอาตอนนะ่ออัลลอฮฺแปดรายการนะครับืน้องก็ลองท่องดูนะ เป็นภาษาไทยก็ได้ถ้าท่องเป็นภาษาอาหรับไม่ได้ท่านอาัสบินมาลิกรดิยลลนู้รายงานบวการนยดัท่านรสดุลล่านี่นะขอดุอาอย่างนี้นะประจําขอว่าไงนะเอาซูบิกะฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮให้พ้นจากมินัลบาคีลมินัลบุคลีจากความขี้เหนียว นี่ขอครับอัลลอฮฺอย่าให้ฉันเป็นคนขี้เหนียวข้อที่2วันกาซลีอย่าให้ฉันเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจในที่นี้นะผมอยากจะอธิบายง่ายๆคือขี้เกี ย, ม AH. กยออกจบบา ม, ามาทําอิบัตด้าต่ออัลลอฮฺขี้เกียจออกจากบ้านมานามาที่มัสยิดขี้เกียจเปิดอ่านอัลกุรอานขี้เกียจนามา ขี้เกียจขี้เียหมดไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งขี้เกี ย, กยจนอนอย่า ง, ง, เยนนยงเดียวนั่นก็คือคนขี้เกียจนะอย่าขอทูอ้าตอนร้อยอย่าให้เป็นคนที่ขี้เกียจเลยประการที่สามวันฮารามีอย่าให้เป็นคนแก่ก็แก่แบบแบบไรนะแบบทําอะไรไม่ไหวเลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ข้อที่สี่วาอาซาลิลาโมร แล้วก็อยากให้เป็นคนที่มีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนตายนะ่ะเลวสุดๆเลวสุดอธิบายยังไงจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งลูกถามว่าพ่อกินข้าวยังยัง่งก็ลูกป้อนข้าวเสร็จๆผมมาถามวิธียังไม่ได้กินข้าวเลยอ่าอย่างงี้อ่ะดีไหมล่ะไม่ดีเราแต่ลูกก็ต้องดูแลพ่อต่อไปดูแลแม่ต่อไป คอที่ห้าวาอาดาบิลกบรีขอความคุ้มครองจะเอาล้อให้พ้นจากการลงโทษที่สุสานนึกภาพนอนอยู่ในกูโบโถูกเอาล้อเล่นงานหนะักถ้าเอาล้อเล่นงานเคาเรียกว่ากูโบนั้นนะเป็นกูโบที่เป็นขุมหนึ่งของไฟนรกเป็นกูโบหนึ่งของใครนะอุทยานหนึ่งของไฟนรก นรกท่านขอลงอาตอรออย่าให้เป็นคนที่ถูกลงโทษไหนกูโบซึ่งเราก็ขอในนามาอยู่แล้วอัลลอฮุมะอินนีอัอูซูบิกะมินฟิทนาติลมินอาดาบิลกับรีวมินฟิทนาติลมาฮยาวลามะมัดวมินฟิทนาติลมาเซฮินแต่จะขอในนามาอยู่แล้วแต่คนบางคนนี่ไม่รู้ที่ตัวเองขออะไรไปไม่รู้เพราะไม่ได้ไม่รู้ความหมายไม่เข้าใจ ข้อที่ห ว, ว, ว, ว, ว่ฟิชนาตุลเดจารหมายถึงความวุ่นวายให้ใช้ตอนเนี่ยมาสร้างความวุ่นวายให้กับตัวเองทูกลอกถูกใช้ตอนลอกข้อที่ข้อที่เจฟิชนาตุลวาฟินติลมาฮยาความวุ่นวายตอนมีชีวิตอยู่ตอนมีแต่ปัญหาปัญหาปัญหาขอความคุ้มครองจะเอาล้ออยาให้พบกับปัญหาเดือดร้อนก่อนตายตอนมีชีวิตอยู่ วันมามาแล้วก็ตอนตายคือต้องการจะขอว่าตายต้องตายแบบนี้อีมานตายแบบมีอิม า, ต า, บบมมานะตายดีมากเลยอะไรบ้างเช่นตายขณะที่กําลังนั่งอ่านครอัลกุรอานตายขณะที่กําลังยืนนมาศตายขณะที่กําลังแต่งชุดอยาะรอมกําลังเดินตะวา่าหรือกําลังอยู่ในช่วงของทําการทําอุโมงห์เนี่ยตายอย่างงี้ตายดีมาก ตายขนาอิทาจิพี่น้องกาลปริมาเ ต, ตาเฮี์ก่อนตายได้ว่าลาอิลาฮออิลลอห์เนี่ยพี่น้องขอดูเอาตอาบอกคำว่าอายุเยอะๆเนี่ยเท่าไรครั้งที่แล้วน้อผมบอกว่าัยดซนาอาลีพูดบอกว่าคนที่มีอายุเยอะก็คือประมาณเท่าไหร่นะ75็ดาอายุ75เนี่ยไซนาอาลีพูดนะ แต่นี้บางรายงานพูดไป ว, ว่าคนที่อายุเยอะเนี่ยเกสปีถ้าใครที่มีอายุยาวมาถึง90ปียังไม่ตายเนี่ยแสดงว่าคนนี้อายุเยอะบางรายงานอธิบายว่าคนที่อายุเยอะก็คือคนที่มีอายุ80ดปี80ปีนี่เยอะจูมัตที่อยู่บนกุเทนะ่าไหร่เกกว่าฮายุ ม, มูซอเท่าไหร่ เป็นร้อยนะอายุเยอะครับอายุเยอะไม่หลงดีไหมดีอายุเยอะอ่านคุณอ่านได้มานะมาที่มัสยิดได้ดีใช่ไหมฉะนั้นขอให้มีอายุยาวแล้วก็ไม่หลงขอได้นี่เราขอนี่ยดูอาที่ว่า8ดข้อเมื่อกี้นี่แหละนี่แหละนะครับท่านไซนาลีบอกว่าอายุเยอะมาถึง75้าอัลละเจดบห้าแปดสิบถ้าถึง90บ อยู่ในตั f นะครับในตมาอารใฟครรอานนะครับทีนี้ท่านอัครีมาอเคลิมะอิคลอมะอัคลอมะท่านสอนท่านพูดไว้ว่าเป็นซอฮบานอบีนะรดิยลลอฮวอนคนนี่นะเขาจะไม่หลงเขาจะไม่ลืมคือคนที่ อ่านอัลกุรอานอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอจะไม่มีอาการเท่าที่เล่ามาทั้งหมดอาการหลมหล ง, ล, งลืมลืมพูดไม่รู้เรื่องถามากินข้าวยังยังอะไรพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่นมาศสม่ำเสมออ่านอัลกุรอานสม่ำเสมอซิกรุลล้อสม่ำเสมอปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับคนที่อยู่กับศาสนาเนี่ยอยู่กับอิบะดาเยอะ อัลฮัมดุลิลลาฮนี่อลลอเป็นสัฮาบะท่านหนึ่งของท่านนบีมฮัมมัดสุลัยมุสลามอธิบายให้เราฟังท่านเราก็ต้องทาตัวให้ดีตามที่ท่านสัฮาบะนบีคนหนึ่งไปอธิบายไว้เอาอพะั์ที่เจ็บันนี้นะครับอพระั์ที่เจบอวัลลัฮุฟบลลาบะอบาคุมอัลาบะดิมฟิรริส อธิบายยังไงครับและอัลเลาะห์ทรงทําให้บางคนฟัดดัลบะอ์ดะกุมอะลาบะอ์ดินทําให้บางคนในหมู่สูเจ้าดีเด็นกว่าอีกบางคนคนที่อัลเลาะสร้างมาในโลกนี้นะครับอัลเลาะห์สร้างมาไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน แล้วก็ดีเด่นกว่ากันมีไหมมีดีเด่นในเรื่องอะไรฟิริสกีในเรื่องเครื่องยังชีพในเรื่องริสกีอลัลลอฮฺให้ริสกีกับมนุษย์เบาวของพระองค์เนี่ยไม่เท่ากันให้เงินให้ริสกีไม่เท่ากันคําคว่าริสกีนี่อธิบายยังไงเ่ยคำว่าริสกีอธิบายอย่างนี้หนึ่ง ทรัพย์สินที่อัลลอให้แต่ละคนนั้นไม่เท่ากันสองสติปัญญาไม่เท่ากัน3าพรพลังกลังไม่เท่ากันสุขภาพไม่เท่ากันความเข้าใจเนี่ยยังมีคนพูดขึ้นมาสักสินาทีเนี่ยคนที่นั่งฟังร้อยคนเนี่ยเข้าใจไม่เท่ากันนะ คนที่เข้าใจดีมีไหมมีคนที่เข้าใจช้าเพื่อนเข้าใจหมดแล้วตัวเองยังไม่รู้เรื่องมีไหมมีนี่ไงเอาล่อให้ทั้งหมดฉะนั้นคำว่าริสกีเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยไม่ใช่เงินอย่างเดียวไม่ใช่เม็ดเงินอย่างเดียวหมายถึงสติปัญญาความรู้สมองร่างกายนะครับความเข้าใจแต่ละคนแต่ละคนเอาล่อให้ ai, มาไม่เหมือนกัน นี่คุรา น, นี่เป็นหลักฐานยืนยนันอยู่ใ น, นคัมภีร์อุรานนะทีนี้ถามว่าอัลลอฮ์ให้ริสกีไม่เท่ากันทําไมบางคนอาจจะถามว่า ท, ทําไมทําไมา่ให้ไม่เท่ากันให้ฉันรวยให้อีกคนหนึ่งจนอะไรเงี้ยคาตอบก็คือในอายาอื่นอธิบายบอกว่าเพื่อให้เขาเหล่านั้นมารับใช้ซึ่งกันและกันามารับใช้ซึ่งกันและกัน นี่คือเราเขาประกาศหางานหาคนงานนี่ไงเขาประกาศหนังสือพิมพ์ว่าต้องการคนงานสิบคนไอ้คนที่มีความรู้ในเรื่องที่เขาประกาศก็ไปสมัครกันนะ่ะถ้าหาทุกคนมันเท่ากันหมดนะ่ะใครจะไปสมัครงานนะ่ะแคนั้นให้สถานะการเป็นอยู่หรือว่าริสกี้แต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนั่น เพื่อให้อีกคนหนึ่งได้รับชาอีกคนหนึ่งก็ต้องขอคุณอัลลอฮ์สุฮานะฮูวาตาลาอัลลอฮ์สร้างโลกโดยระบบแบบนี้นะครับเอาต่อมาครับฟามัลลาดีฟุตดีลูบิรดีริสตฮิมแต่แล้วบรรดาที่ถูกทําให้ดีเด่นใครก็ตามที่อัลลอฮ ให้ทรัพย์สิสนแก่เขามากทำให้เขาดีเด่นกว่าอีกบางคนคนที่มีฐานะการเงินดีเด่นเนี่ยต้องนึกนะอัลลอให้เขานะไม่ใช่ความสามารถของเขาเองหรอกอบางคนมีทมีที่ดินนี่อย่างท่านสวาบานะบีนะท่านอับบาสเนี่ยอบลอมมีที่ดินยุ ตั้งแต่นครมาดีนาะถึงเมืองตออีฟในเป็นที่ของท่านหมดเลยอถามว่าที่เยอะๆแบบนี้นะ่ะใครให้อ่ะอัลลอฮฺอัลลอให้เพราะท่านนาบีเคยขอดุทิให้อับบาสมีอายุมีลูกเยอะแล้วก็มีลูกเยอะมีเงินเยอะขอสองอย่างอัลลอฮรับทั้งสองเลย มีลูกเท่าไรก็แมท่านอานัสบินมาลรีกอัลโล์ลูกกว่ยุแปสบกว่าคนนะแล้วก็มีที่ดินทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยนะและมีอุลามะอยู่คนหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรอ่านเมื่อหลายปีมาแล้วนะอุลามะคนนี้นะใส่เสื้อวันละตัว ใส่เสื้อวันละตัวละตัวใหม่วันละตัวละตัวละตัวละตัวละตัวพอใส่แล้วถอดให้ลูกศิษย์ใส่ถอดแล้วบริจาคถอดแล้วบริจาคถอดแล้วบริจาคตัวลงว่าลูกศิษย์ของท่านที่เรียนฮะดิษกับท่านเนี่ยเป็นร้อยร้อยพันพันคนที่นั่งอยู่น่ะใส่เสื้อของท่านทั้งหมดกที่นั่งอยู่ทำดุริแลมีไหมมี แต่ของเราเนี่ยมีแล้วไม่เคยให้ใครใช่ไหมเปลี่ยนใหม่เสื้อใหม่มีได้ไหมได้แต่เสื้อตัวเก่าต้องบริจาคบางคนมีนเสื้อนะแต่ไม่เคยให้ใครนะันเก็บเก็บใส่ตู้เต็มไม่หมดเลยหืมเปเปิดนี่มึนเลยว่าจะใส่ตัวไหนมุสลิมาบางคนอรอเสื้อเต็มตู้เลยบริจาคนอนไม่ได้ไม่ได้เสียดายเสียดายเก็บไว้อำลายในะเยอะแยนะน่ะ อัลลอฮ์สอบในวันเกียร์มาจะเอาหน้าไว้ไหนเอาหนี้เล่าให้ฟังเนี้อมาที่อัลลอฮ์ให้แต่ละคนแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันเรียกเรียกวันนี้เนื้อมาแต่ว่ารีสกีที่อัลลอฮ์ให้เป็นเนื้อม า, อาเป็นความโปรดปราที่อัลลอฮ์ให้ไม่เท่ากันที น, นี้อัลลอฮ์ตำหนิอายาหนี้ตำหนิฟาฟ า, ามัลลีฟุดดิลูบิรอดดิริสกีหิมบรรดาที่ ถูกทำให้ดีเด่นหมายถึงอัลลอฮ์ทำให้เขามั่งคั่งร่ำรวยกลับอะไรนะบิรอดีริสตีหิมกับไม่แบ่งปันเครื่องยังชีพของพวกเขามีเงินเยอะมีริสกีเยอะกับห่วงแหนอัลลอฮ์ชมอัลลอฮตำหนิเนี่ยอัลลอฮ์ตำหนิอัลลอฮ์ไม่ได้ชมคนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีเยอะเนี่ย ไม่ได้แบ่นปันทรัพย์สมบัติของเขานั้นให้กับใครอาลามามาลาการไอมานนหุมให้แกเบาทาตที่มือขวาของเขาครอบครองให้กับทาตของเขาเองไม่เคยให้เลย น, นี่อัลลอฮตําหนิอวันนิ้ทาตไม่มีแต่ทาตอาจจะกลับมาอีกก็ได้นะ โอกาสที่จะกลับมาสูงนะเนี่ยถ้าหากว่าโลกอาหรับนี่ยนะเอาซุนน่านาบีมาใช้นะแล้วก็รักใคร่กันอย่าแตกแยกกันเหมือนวันนี้นะอุลมาเข้ามาแล้วก็นักปกครองในเรียนศาสนานกันแล้วก็รวมตัวกันให้ดีนะยึดประเทศต่างๆได้เยอะมากแล้วแล้วก็เมื่อยึดภาพเนี่ยธาตุมาเต็มเลยนะ นี่โอกาสที่จะมีธาตุมีไหมมีในอนาคตถ้ามีการเนี่ยเผยแพร่ อ, อิสลามแล้วก็ทุกคนรับใครการสามัคคีการอิจติฮาดกันอย่าแบ่งแยกกันนะอย่าเดินตามยาฮูดีที่ยุให้เราทะเลาะกันวันนี้ใช่ไหมเอาละอัลลอฮ์ตออัลลอฮ์ตำหนินะคนที่มีริสกีเยอะๆอะัลลอฮ์ให้ความมั่งคัง่งให้เขาร่ำรวยเนี่ยกลับไม่แบ่งปันริสกีของเขา ให้กับคนที่ด้อยโอกาสอาลัลลอฮฺตินิเนเก็บดุสกีไม่ทำอะไรเก็บก็จะมายดุสกีก็อลัลลอฮฺเยอะๆมาใช่เงินอย่างเดียวนะคนที่มีความรู้ก็เหมือนกันไม่เอาความรู้ที่เรียนมาตั้งหลายปีไปสอนคนกอดความรู้เอาไว้ไม่พบคนไม่อยู่กับคนไม่สอนคนไม่อยู่กับคนนี่นะเหงาหนะ โรคซึมเศร้ามันจะตามมาคนที่ไม่พบกับคนเลยเนี่ยนะอยู่บ้านอยู่ในห้องเนี่ยไม่ดีต้องให้ออกไปออกไปออกไปทำงานศาสนาพบกับประชาชนใช่ไหม อ, อ้าวอาจ น, นี่คำว่าดิสกีนี่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะความรู้ด้านอื่นอื่นอีกอที่เขามีความถนัดด้านไหนก็น่าจะไปสอนให้กับคนที่ด้ยโอกาสกว่าเรา ในกุรอานอายาหนึ่งว่างนี้ฟาซาลูอัลเลซิกริท่านทั้งหลายจงถามคนที่มีความรู้ในสิ่งที่ท่านไม่รู้เช่นอะไรบ้างฟรังมันถามอุลมามะมุสลิมกว่าคุรานสอนทุกเรื่องที่คุณพูดนะจริงเปล่ามาบอกจิงอ่ะนาลองฝยกุรานดูซิกุรานสอนวิธีทำขนมปังยังไงอ่ะตรงไหนพอฟรังมันกินขนมปังมันถามว่า เราไปดูซิอายาไหนอ่ะที่ว่าฝรังที่ว่าอัลลอฮฺสอนเรื่องสอนทุกเรื่องลองเปิดซักอายาดิทาคนหลปังในคุณอานอยู่อยู่อยู่อายาไหนอุลามะก็อ่านุณอ่านอาย่านี้อ่ะฟาสอูอัลละดิคอินกุนตุมลาตาละมูนถ้าคุณไม่รู้ก็ให้ให้ไปถามก็ไปถามคนทําคนหลปังเนี่ยนั่นแหละคุณอานอ๋อถูกหรอก มุสลิมฉลาดเหมือนกันน่ะในอินเดียนี่มีเรื่องเล่าอย่างนี้มีอยู่วันหนึ่งฮินดูเนี่ยมันเดินอยู่มุสลิมก็นั่งพอฝนตกพวกฮินดูมันก็วิ่งวิ่งหลบฝนนั่ น, นแต่มุสลิมมานท้าว่าเอ็งนั่บ้าอลัลลอฮ์ให้นี่ยอามัดฝนเป็นนี่ยามัดเป็ควา ม, ม, มปวดปลาของอลัลลอฮ์ เขาให้มา้าดันวิ่งหน้าแตกใช่ไหตอบไม่ได้แปลกอัลลอฮ์ให้เนีอมตม้ดมาดันวิ่งหนีเนอมัดมาอีกวันหนึ่งมุสลิมเดินเดินอยู่ฝนตกฮินดูก็นั่งอยู่มุสลิมกว็วิ่งเหมือนกันอ้าวอ้า ว, วันนั้นเองวะฉันนี่นะเป็นคนที่หนีเนีอมตอัลลอฮ์แล้วคุณวิ่งทําไมแล้วมุสลิมตอบไงรู้ไหม ฉันไม่อยากจะเหยียบนี่ยมัดอะไรเห็นไหมมุสลิมฉลาดคนอ่านกลัาอ่านนี่ฉลาดหมดท่านพี่น้องตง้องอ่านกลังอ่านเยอะๆต้องทางศาสนาเยอะๆอันนี้เล่าให้ท่านพี่น้องฟัง น, นะครับ <c oughs> ฟาหุมฟีสาวะเพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกันฟีฮิสาวะ คนที่มีฐานะการเงินเยอะมีความรู้เยอะมีอะไรแต่อะไรเยอะกว่าคนอื่นเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการให้คนที่มีฐานะที่เด่นเด่นกว่าดีกว่านั้นลงไปช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่าเพื่ออะไรเพื่อที่จะยกฐานะพาดุงฐานะของคนคนนั้นให้ขึ้นมาเท่าเทียมกับเขานี่งอิสลามสอนให้เท่าเทียมกันปดยเหตุนี้แหละอายานี้แหละที่พวก รัสเซียประเทศรัสเซียเนี่ยพรรคอมมิวนิสต์เนี่ ย, อมม เ, ยเอาอาย่านี้ไปใช้เขาบอกว่าพนักงานทุกคนน่ะได้เงินเดือนเท่ากันหมดทำงานหนักทำงานเบาได้เท่ากันหมดเขบอกนี่ใช้อมาจากกูรอ่านเหมือนกันอ้ น, นั้นมันทำงาน อันนี้เขาเอรรถต้อตงการจะให้คนเนี่ยคนที่มีฐานะการเงินเนี่ยดูแลคนยากคนจนต้องการที่จะยกฐานะจะกลับให้คนจนๆที่ด้ยโอกาสนั้นได้หนึ่งได้รับได้รับสกาได้รับสดแล้วก็ได้รับพอดียะได้รับวกับเพื่อจะยกสถานะคนที่ด้อยกว่านีให้เขามีฐานะมั่งคั่งขึงข้นไม่ใช่จนจนยนกวาทั้งตายันไม่ใช่ อย่างสากาัดบางคนมีเงินอยู่พันล้านอยรือสกาดเท่าไรสกาดหลายล้านนะอย่างน้อยก็2องร้ห้าสิล้านแหละใ่ไห่ะหือมากก็เท่าไรยีบย่บยีบย่บห้าล้านยี่ห้าล้านนี่ตั้งตัวได้นะคนจนๆสักยี่สิบคน น, น, น, น, นี่ตั้งตัวได้เลยคนละสิบล้านสิบันหรือห้าล้านห้าล้านเนี่ยตั้งตัวได้เลยจะมีเป็นตัวที่ที่อิสลามมองนะมองมองอย่างนี้ คนที่มีฐานะการเงินก็ต้องเข้าไปดูแลคนที่ด้อยโอกาสกว่าอยายะสุดท้ายอาวักสุดท้ายอาฟบินีอามิลลาฮิยาจฮัดูนกะนั้นพวกเขายังปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอ์กะนั้นหรืออัลลอ์ให้เงินมาเป็นเนิ่อามัดอัลลอ์ให้ความรู้มาเป็นนิ่อมัด เสร็จแล้วก็หวงความรู้แล้วก็หวงทรัพย์สมบัติเก็บสมบัติของอัลลอฮ์เอาไว้ทั้งๆที่ในทรัพย์สมบัตินั้นส่วนหนึ่งมีอากาศส่วนหนึ่งมีสัตว์แล้วกา็ส่วนหนึ่งมีหะดียะส่วนหนึ่งมีวกากัรที่จะต้องรับผิดชอบดูแลสังคมท่านคนที่เก็บอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์ตำหนิบอกว่าคุณเนี่ยกําลังปฏิเสธ ค, ความโปรดปรานของอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุตานั้นไม่ใช่เรื่องดีหรอก คนที่มีอะไรเด่นเด่นกว่าคนอื่นแล้วก็เก็บความเด่นเอาไว้คนเดียวเป็นความภูมิใจรักษาไว้เพื่อตระกูลตัวเองใครบอกคิดเองฉะนั้นถ้าเดินตามคุณอานเนี่ยคนที่มีเงินอยู่อยู่ได้ไหมไม่ได้ต้องลงไปดูและมอลนะอับูลสซานพูดดีเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ย อันนี้อามีรอยลาบาบิลฟักีรคนรวยที่ดีต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนว่บิบัลฟักีร์รลาบาบิลอามีคนจนที่เลวชอบไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยอ้านี่อุลามฮะอเดียนะอัลลอฮฺอักว แค่ด้านคนรวยมีฐานะการเงินต้องลงไปดูแลคนจนต้องไปยืนอยู่หน้าบ้านคนจนคนจนน่ะไม่มีหน้าที่ไปยืนอยู่หน้าบ้านคนรวยคนรวยต้องรับผิดชอบดูแลสังคมถ้าไม่ดูแลอลัลลอฮ์สอบเองในวันเตียามาลองอ่านกูอ่านอายาที่ไม่ไม่จายสกาดดูสิอลัลลออะอะไรเอางูมารักคอใช่หรือไม่ใช่ใชนี่ยกูอ่านเอาต่อไปครับ ต้อการจะอธิบายอายานี้อวักนี้อัฟาบินเนี่ยอมตินลฮิยจฮดุนพวกเขานี่ปฏิเสธความโปรดปรานของอัลลอ์การนั้นหรือเขาอธิบายอย่างงี้อัลลอ์ต้องการจะบอกว่าคุณนี่ได้รับเนอมมามของอัลลอ์ได้รับรสกีของอัลลอ์แต่ไปขอบคุณคนอื่นได้รับเนี่อมมามัของอัลลอ์แต่ไปขอบคุณคนอื่น อ้าวนี่ขอยกตัวอย่างนะถ้าหากว่าบางคนนี่นะป่วยอยู่ที่บ้านป่วยไม่เยอะหรอกผมก็ไปยีฟรูไปยีอามัดไปใช่ไหมไปก็สี่คนห้าคนยีอามัดก็ถือผลไม้ไปสองสองสามกิโลยีฟรู ก, ก็ถือทุเรียนไปคนละสองสามลูก ผมก็ถือน้ำลูกยอไปสองขวดไปที่บ้านคนคนหนึ่งอะนะแล้วคนคนนี้พรพอเห็นเราไปกันสามคนแล้วก็ถือของติดไม้ตีมือ ไ, ไปก็ดีใจอะพอดีใจเนี่ยพูดไงรู้ไ้มขอบคุณอาจารย์มุสตาฟายุบชุเลยเนาะที่พาน้ำลูกยอมาให้ขอบคุณฮายาทมากมากเลย ขอบคุณยี่งฝรุกแม่โวเน่ได้ทุเรียนมาล้วทำดูเลยละการขอบคุณอย่างนี้ตรงกับอายะนี้ตรงกับอายะนี้อัลบิิอมัิลลาฮิจฮดุนคุณเนี่ยปฏิเสธเนี่ยอมัดของอัลลอฮ์กันนด้หรือข้าอธิบายยังไงไปขอบคุณคนที่เอาเนี่ยอมัดอัลลอ์มาให้กับคุณ เราไปขอบคุณที่ไปเอาเนี้อมะทของอัลลอฮ์มาให้กับคนคนนี้อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์สั่งคุณอัลลอฮ์โดนใจใช่ไหมให้คนนี้คนให้ผมให้ยูฟารุกีอามะทสามคนเนี่ยซื้อผลไม้ไปไปให้กับคนคนนี้คนคนนี้แทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ไม่ขอบขอบคุณใครขอบคุณผมขอบคุณยูฟรูกขอบคุณอามะทท่านดีจริงๆแม้ใจดีมากเลย เอาขนมมาให้เอาทูเรียนมาให้เอาน้ำลูกยอมาให้เนี่ยเป็นการขอบคุณที่อัลลอต์กำหนกที่ถูกต่อไปไงรู้ไหมต้องว่ายักากรลอหุคัยรอนนี่ใครสอนนบีสอนขอดูอาต่ออัลลอ์ให้อัลลอ์ตอบแทนความดีลืมมารอได้ยังไงอ่ะในเมื่ออัลลอ์เป็นเจ้าของริสกีได้รับริสกีของอัลลอ์ อัลลอฮ์ดนใจให้คนคนหนึ่งมาดัานไปขอบคุณคนแทนที่จะขอบคุณอัลลอฮ์คนที่พาของมาก็จะรับความขอบคุณจากอัลลอฮ์ด้วยเหมือนกันนี่ไงคนไม่เรียนศาสนาเป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมอัลลอฮ์ต้องนี่อาฟาบเนีอามาตินลาฮียาเาดูนพวกเขายังปฏิเสธความโปรธปานของอัลลอฮ์กันนั้นหรือแค่ด้า น, นเรื่องนี้เรื่องละเอียดอ่อนเราจะต้องทําให้ดีนะ มีคนมาให้ของเราถ้าเรามีรางวัลก็ตอบอะไรเอาของห่อให้เขาไปบ้างถ้าไม่มีอะไรให้นบีบอกว่าว่าอย่างนี้ยะซากะลอยะซาภูมุลลอหุค่อยรอนขอนขอัลลอ์ลตอบแทนความดีให้กับทานด้วยเท่า น, นี้พอแล้วเลาัมดุลยแล้วมีห a ด i ษบทหนึ่งอธิบายอายะานี้อธิบายอย่างนี้ ไซนาอุมัดเนี่ยเขียนจดหมายไปหาอบดุลโมสอัลอาชอาลีนี่เป็นสาวบ้านนบีทั้งหมดนะเอาคําสอนของสอบาบะานมาปฏิบัติได้เลยท่านบอกว่าเขียนจดหมายไปบอกว่าวัดกนเนียบิริสกีกามินัดดุนย า, าอบดุลโมสอัาชอาลีเหยคุณเนี้ยทำตัวให้พึงพอใจกับบริสกีที่อัลลอฮ์ให้กับคุณบนดุนยา มีแค่ไหนให้พอใจแค่นั้นวันนี้อัลลอฮ์ให้คุณพันหนึ่งอัลฮัมดุลิลละฉันพอใจวันนี้ให้ห้ารอยัลฮัมดุลิลละพอใจวันนี้ได้ร้อยหนึ่งอัลฮัมดุลิลละให้พอใจนี่แหละคนที่อ AH ัลลอฮ์พึงพอใจคนประเภทนี้ฝ่อิมนะรฮ์มานฟัตดะล์บางะอิบะดีฮีอาลาบางะอิบะดี บ่าดึงฟิริสกีแท้จริงอัลล์มารหมายถึงสิฟัตของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาเนี่ยให้ริสกีกับบ่าวของพระองค์ไม่เท่ากันให้ริสกีมาแล้วเนี่ยอัลลอ์ทดสอบนะให้มากให้น้อยเนี่ยเป็นการทดสอบพอให้มากปั๊บอัลลอ์ต้องการจะดูมัมบัสตาตลาหูไกฟะชุกรอหูพอให้เยอะเนี่ยขอบคุณอัลลอ์เป็นหรือเปล่า อลัลลอฮ์มองดูตรงนั้นเวลาอาลัลลอฮ์ให้น้อยเนี่ยอลัลลอฮ์ต้องการจะดูว่าคุณ น, นี่นะสวบัต่ออัลลอฮ์หรือป่าเคยได้เยอะแล้ววันนี้มาได้น้อยเนี่ยอดทนได้ไหมไม่ตำหนิอลัลลอฮ์ได้ไหมต้องการจะดูตรงนี้เองให้มากเพื่อการว่าโทษสวสวาคุณสุ ก, ก็ต่ออัลลอฮ์ไหมถ้าได้ได้ได้น้อยคุณภูมิพอใจกับรุสกีที่คุณได้น้อยไหม ต้องการจะดูแค่นั้นนะจะเป็นได้มากได้น้อยอีมานของเราต้องขึ้นตลอดเวลามากก็ขึ้นน้อยก็ขึ้นน้อยขึ้นด้วยการสอบบติมากขึ้นด้วยการสุ ก, กต่ตออัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาละเอาละครับต่อมาอายาที่72อายา t h i ต้องการจะพูดเรื่องอัลลอฮสร้างคนมาเนี่ยให้มีคู่ครอง แล้ววันนี้เราก็ปฏิบัติทำา y a h k u anayani วะโหลจะละละกุมมินอัมฟูซิกุมอาสวาอะลอตได้ทรงทาให้มีขึ้นคู่ครองอ่าอาสุวายนแปะแปะอาสวัจอนแปลว่าคู่ครองมาจากใครล่ะมินอัมฟูซิกุม ครูคลองเนี่ยมาจากไหนมาจากตัวของสูงเจ้านั่นแหละไม่ได้ไม่ไดเอามาจากแหล่งอื่นนะไม่ไดเอามาจากแหล่งอื่นอ้าถ้าเอามาจากที่อื่นเราอาจจะรับไม่ได้ก็ได้เออฉันนี่เป็นคนเนี่ยฉันเป็นผู้ชายเนี่ยนะแลไปเอาผู้หญิงที่ไหนมาให้ฉันเป็นภรรยาเราอาจจะโวยวายก็ได้อลรรถเลยบอกว่าภรรยาของคุณเนี่ยมันมาจากตัวคุณนั่นแหละ มาจากใครมาจากน บ, บีอาดัมตัวฮาวา่าน บ, บีอาดัมสร้างมาจากดินให้ภรรยาออกมาประจากซี่โครของน บ, บีอาดัมเห็นอย่างแค่นั้นไม่ได้มาจากที่ต่ำมาเท่ากับคุณนั่นแหละเพื่อสอนใจเราวันนี้ภรรยาแล้บางคนนี่นะดูถูกภรรยาภรรยามันต้องตามกว่าสามีภรรยาต้องเป็นอะไรจะมองต่ำ ม, มากเลยไม่ใช่ภรรยามา สัจภาพที่เท่าเทียมกับคุณนี่แหละในศาสนาอิสลามนีิสอนภรยาก็คือคู่ชีวิตรอฟีกูไฮยะรอฟีกูไฮยะเป็นคู่ชีวิตนะครับนี่กูอ่านสอนแล้วต่อมาอีกว่าจะลาลักุมมินอัลวาดิคุมบานีน่าวะฮัฟดาและอัลลอฮ์เนี่ยทรงทำให้คู่ครองของสูเจ้า มาถึงภรรยาของคุณนจะคุณแต่งงานมาเนี่ยนะอัลลอฮ์ให้มีอะไรให้มีลูกใช่ไหมน่ะอัลลอฮ์ให้มีลู ก, นะลลลกผ่านใครผ่านภรรยาวาฮาฟาดะ แ, แล้วก็มีหลานมีลูกแล้วก็มีหลานตัลวงว่าทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยใครกําหนดอัลลอฮ์สุบฮัตตาลาไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธ ม่ใช่โต๊ะตะเกีย์ให้นะบางคนนี่ยังหลงว่าโต๊ตะเกียร์ให้ลูกก็มีเพราะขอดวอาต่ออลลอตไปมากกา่าขอดวอาแล้วไม่ให้ไม่ได้พอไปขอเจอโต๊ะตะเกีย์ได้ขึ้นมาเลยเหมาว่ามองว่านี่อิทธิพลของโต๊ตะเกียร์ถึงได้ลูกได้หลานมาพิษนี่กูอนอุ ญ, ญาตเนี่พูดชัดว่าจาะละลิกคุณมินอัจวันิคุมบันนีนวาวะฮฟดะ ทั้งลูกทั้งหลานเนี่ยมาจากภรรยาของท่านใครให้อัลลอฮฺสลาให้มาครับคำว่าฮาฟัดะนี่นะฮาฟัดะเนี่ยที่เราแปลว่าหลานเนี่ยตรงนี้ศับเดิมเนี่ยแปลว่าช่วยเหลือแปลไว้นะคิดมัดแปลว่าบริการแปลว่าช่วยเหลือนี่สับเดิมของคําว่าฮาฟัดะ แต่อุลมามะเขาอาธิบายว่าฮัฟฟดาที่นี้หมายถึงลูกหลานอาธิบายยังไงอัลลอ์ให้ลูกมาให้หลานมาเพื่อเอามาช่วยเหลือพ่อแม่ตัวเองฉะนั้นลูกๆทั้งหลายอย่างพวกเราต้องนึกอัลลอ์ให้เรามาเนี่ยเป็นลูกของคุณพ่อเห็นไมล่ะถามว่าอัลลอ์ให้ลูกแล้วก็หลานเราลูกเราเนี่ยอัลลอ์ให้มาทำไม ฮาฟดาแปลตามา์ว่าคินดมัสแปลว่าช่วยเหลือและบริการบริการใครบริการพ่อเราเพราะนั้นเราต้องดูแลพ่อเราหลานเราก็ต้องดูแลตัวเราแล้วก็ดูแลพ่อเราดูแลตัวยออ ด, ดูแลแช์ด้วยถ้าหากลูกหลานไม่ดูแลแชร์ไม่ดูแลตัวยอ่อเนี่ยมันผิดเป้าหมายของอา ญ, ญานิคาว่าฮาฟดาแปลว่าอะไรนะ Help มาช่วยเหลือมาคิดมัดมาบริการมานอรอรมาอินติสมาช่วยเหลือมาดูแลมาบริการฉะนั้นลูกหลานที่อัลลอฮฺให้มาเนี่ยลูกหลานต้องบริการดูแลดูแลนะดูแลพ่อเราดูแลแช่เราด้วยถ้าแช่ยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่บ้านนี่นะต้องดูแลช่วยเหลือเขาคิดมัดเขาบริการเา้ายิ่งตอนไม่สบายต้องดูแลเป็นพิเศษเลย ถ้าหาลูกหลานที่มาดูแลพ่อแม่น่ะบาปนะอารอดีสามนังกะพีกุตองอ่านได้ ว, ว่าลูกกับพ่อเนี่ยต้องไงต้องดูแลห้ารายการเอาห้ารายการมีอะไรบ้างหนึ่งอย่าพูดคำว่าอู๊ห้าสองอย่าตะเพิดไปไปไปอยู่ที่อื่นมามาไปโอ้โหเราไปเจอลูกไล่อย่างงี้นะอสอนอนไม่หลับนะ ยอๆไป ไ, ปไปอยู่ที่อื่นไปไม่ใช่อยู่นี้แล้วแลไปไปเช่าไปอยู่กับบรรจงกับบ้านเนี่ยอะไรอะ่ะที่ที่รักษาบ้านเนี่ยคนแก่กคนชาราไปอยู่อยู่รุดอ่ไปไปไปไปไปอุลอลอักว่าเนี่ยภาษานี่มันต้องไม่ให้ออกจา ก, จกปากลูกอะแล้วก็วักฟิตลาหูมาจนาฮัซุลเล่ข้อที่สามเนี่ยต้องทอมตนกับพ่อแม่เน่ยถึงลูกจะมีความรู้สูงแค่ไหนก็ตาม ต่อหน้าพ่อแม่ต้องทอมตนข้อที่สี่นี่วักุลลาหุมาเกาลังกาลีมาพูดจาเพาะๆนี่อัลลอฮฺสั่งเลยเนี่ยกลัวจะทำไม่เป็นข้อที่ห้าวักุลรอบบิระัมผู้มาขอดุอาให้กับพ่อแม่ห้าห้าห้ารายการยิ่งพ่อแม่เสียชีวิตต้องขอดุอาทุกวันเลยวันละห้าเวลาเลยไม่ใช่ห้าน่าจะสิบยี่สิบด้วยก็ได้ขับรถก็ขอดอาทิศพ่อแม่ได้ไหมได้ รับบิบฟิลลีวะลิวะลิดายะวรหัมหุมะกามาร บ, บัยานิสัชิโรนี่อธิบายอันนี้ไปเนาะฮาฟัดาแปลว่างั้นนะช่วยเหลือมาเจาะจงอยู่ที่ลูกลูกต้องดูแลพ่อแม่นะครับอย่าลืมนะเงินที่ลูกได้เป็นเงินเดือนทั้งหมดเนะ่ยเป็นของใครรู้เปล่าเป็นของพ่อถ้าพ่อเอามาเนี่ยมีสิทธิ์ลูกต้องให้นะ แต่พ่อศักดิ์ศรีฉันไม่ขอใครง่ายๆหรอกลูกฉันก็ไม่ขอถ้าลูกไม่ให้อะก็ยังว่าลูกไม่รู้จักอิสลามถ้าลูกเรียนาศาสนาเนี่ยลูกต้องนึกเงินเดือนที่ลูกได้มาเนี่ยแสนหรือ6กหมื่นหรือหมื่นสองหมื่นนี่ของคุณพ่อทั้งหมดนะแต่ว่าพ่ออย่างเราๆเราก็ไม่ขอขอไหม ไม่ขอเราเสียฟอร์มถึงไม่มีก็ไม่ขอ <c oughs> ลูกมันคิดเองแต่นั่งตอมมาฟังศาสนาเยอะๆใช่ไหลูกนะคุณพ่อมีตาแบบมีใครจะบอกไม่มีถ้าจะให้ก็ให้มะ <c oughs> อันนี้เป็ตนต้นลู ก, ลกฟังไว้ด้วยนยวารากอกุมมิตนอยเบ็ และทรงให้เครื่องยังชีพที่ดีแก่สูรเจ้านีใ่ใครให้อัลลอฮ์ให้นี่ที่ล้องให้ในวะิสกีอยังเจ๋วเลยนะบนกุญยาไปนี้เนะี่ยเรื่องเร็วๆไม่ค่อยมเยีเรื่องดีหมดเลยเอาต่อมาครับอาฟบิลบาติลยมนนการนั่นพวกเขานี่นะ จะศรัทธาในความเท็จกันนั้นหรือไปศรัทธาในของไม่จริงอะไรบ้างต้องการจะอธิบายว่าวันนี้เนะี่ยคนไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์ใช่ไหมนั่นนะ่ะไปอีมานไปศรัทธาแต่เรื่องบาตินหมดเลยเรื่องเสียหายเรื่องที่ไม่พาไปพบกับอัลลอ์สุพาห์นะฮ์ลลอเนี่ย อย่างโลกดุนยาใบนี้อธิบายนะโลกดุนยาใบนี้ก็โลกอาคริลในพี่น้องนะคนที่เชื่อโลกดุนยาว่าเป็นโลกชั่วคราวและเชื่อว่าโลกอาคริ์เป็นโลกถาวรคนที่เป็นคนฉลาดมากเลยนะคือสามารถอธิบายให้ตัวเองฟังได้ว่าฉันนี่เป็นคนสองโลกฉันอยู่บนดุนยานี้และฉันเชื่อว่าตายแล้วตรงฟื้น ในโลกอาคิระโรคนนี้เป็นคนฉลาดอธิบายอย่างนี้มีอุลมะอธิบายแต่ตรรศนี่เลยนะอนธิบายอย่างนี้ดุนยากับอาคิระโรเนี่ยแยกออกจากกันไม่ได้เขออาอธิบายว่าโลกดุนยาเน่ยเปรียบเสมือนจะส่วนอะไรนะโลกดุนยาใบนี้เปรียบเสมือนเรืออาคิระโรเปรียบเสมือนอนะโลกดุญญนยาเปรียบ เ, เปรียบสญญ เ, ยบเยบสมือนน้ํา อาคริอกเปรียบเสมือนเรือดุนยาเปรียบเสมือนน้ำอาคริลอกเปรียบเสมือนเรือถ้ามีเรือไม่มีน้ำเอาไปเล่นนะได้ไหมไม่ได้เห็นไหมละ่ะเอาวันนี้นี่นะคนที่มีอาคริลอกอย่างเราเอา อ, าอาคริอใช่ไหมเราเนี่ยเรามีอาคริลอกเราเชื่อ อ, อาคริลอก เราก็อยู่บนดุลยาเท่ากับเรานี้เป็นเรืออยู่บนน้ําใช่หรือไม่ใช่ใช่ที้ตามสูตรอํามัดเรียนเรียนเรียนวิชานี้มาวิชาอยู่อยู่กับเรือเนี่ยถ้าเรือมันรั่วเนี่ยสักนิดหนึ่งน้ําเค็มเข้าเนี่ยเรือเสียหรือว่าเรือเรือดีเรือเสียเรือที่บรรทุกสินค้าเยอะเนี่ย รั่วนิดหนึ่งน้ำเค็มเข้านี่เขาไม่เล่นนะเรือเนี่ยต้องขึ้นอะไรต้องไปนั่นนะ่ะเข้าอูนะ่ะซ่อมกันใหม่อะไรกันใหม่เขาต้องการจะอธิบายว่ามนุษย์ที่อยู่บนดุนยาใบนี้ต้องไม่ให้ดุนยานี่เข้าไปอยู่ในหัวใจของเขาเปรียบเสมือนเรานั่นเป็นเรือน้ำเค็มมาถึงดุนยาเนี่ยต้องไม่เข้าไปอยู่ในเรือ ถ้าน้ำเข้าไปอยู่ในเรือเรือ น, นี้เสียหายทันทีเข้าของเสียหายหมดเลยในเรือเนี่ยฉะนั้นต้องไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือต้องไม่ให้ดุลยานี้เข้าไปอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาอัลาเข้าขใจง่ายใช่ไหมต่อที่บายอย่างนี้ฉะนั้นคนที่อธิบายตัวเองระหว่างดุลยากับอาคิีรอดได้เป็นคนที่ฉลาดมากเลยเอาต่อมาครับ อัลล์ตำหนิอาฟรบิลบาติลยมินูพวกเขาสัทธาในความเทศไปหลงโลกดุนยากาเทศไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นเรื่องเทศทั้งหมดอะไรบ้างได้ริสกีของอัลลอฮ์มาแต่ไปขอบคุณคนอื่นนี่ก็เรื่องเทศในฮะดีษอธิบายอย่างนี้ครับในวันเตียมะเนอัลลอ์ AH จะจะถามอย่างนี้ ทุกคนนะเราถามหมดนะถามเรื่องที่เราชอบด้วยถามว่าอลรามอุตาวยจุกะฉันเนี่ยไม่ได้ให้มีคุณแต่งงานกับภรรยาคุณหรืโอโอ้โหเรื่องถูกใจหมดเลยอเลาถามว่าตอนอยู่บนดุงยาเนี่ยฉันมาด้หาคู่ให้คุณหรือนี่เลาหาคู่ให้เราน่ยเนี่ยท่านต้องดูแลคู่เราให้ดี แตถ่ถ้าต้องการจะอยู่ในโลกอาคีรออีกนะอัลลอฮฺอักบัตอนนี้พยาเราอ่านจะแก้ไปหน่อยนะเนื้อย่นตาก็แฉะๆหลังอ่อนๆพูดจางทีมึนๆไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ในสวรรคนะ์อัลลอฮฺอักบัเช่นอัลลอ์สร้างบ้านหลังหนึ่งให้อยู่ในสวนสวรรค์ สามีออกไปพบใครจะใครก็กลับมาอีกทีกมาเจอภรรยาเฮ้ยไปตอนออกไปไม่อย่างงี้เนี่ยือตอนเข้ามานี่มันสวยกะเก่าอีกแล้วรอเนเธอร์มาทำอะไรมาเมีย ก, ก็บังการเห็นสารมีออกไปเอยากนี่กลับมาดูมันรอกะเกาอีกเนี่ยมาทําอะไรมาเนี่พี่อย่างเงี้ยแต่มีอยู่คนหนึ่งแถวบางกอกน้อยมาหาผมต่เช้าเลย เรามอยู่ที่อุณหมรินเขาบอกว่านี่สถานจริงๆเลยฉันกับเมียฉันจะอยู่ด้วยกันไหมในโลกอาเคโร่กูบอกอยู่สิให้ไม่เอาไม่ได้เหรอขออยู่คนเดียวไม่เอาทําไมล่ะกูไม่เอาอ่ะกูเซ็งแล้วเพินก็มีอยู่คนหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่เขาต้องการจะอยู่ในโลกอาเคโร่กันหมดแต่คนไม่แต่งงานอยู่กับใครอ่ะลูกตอบได้ปะ คนที่ไม่แต่งงานเนี่ยนะอลัลลอฮฺก็จัดให้บางทีผู้หญิงมีภรรยาใช่ไหมภรรยาเข้าสวรรค์แต่สามีไม่ได้เข้ามีไหมมีสาวีอยู่ในนรกแต่ภรรยาเข้ามาสามีไม่มีใช่ไหมนะ่ะไอ้ผู้ชายที่ไม่ได้แต่งงานบนดุญยาแล้วตายอาลัลลอฮฺกรจับเอาคู่นี้จ้อยู่ด้วยกันที่ภรรยาพ้ดีสามีเข้าเข้านรกนะ ก็เอาผู้หญิงที่สามาีเข้าในรกมาแต่งกับคนที่อยู่โซนยกกระทั่ทงตายนะแต่พราะว่าแต่งงานดีกว่าอยู่บนดนุงญานะ่จะได้รู้ว่าความรับผิดชอบมันสูงแค่ไหนนะการอยู่กับคนคนหนึ่งที่กระบนเยอะๆนะอดท น, เ, นเป็นยังไง <c oughs> มันต้องมันต้องผ่านด้วยนะถ้าอย่งนั้นไม่รู้เวลาเมียบ่นกับมะบน่นตา่างกันเยอะนะอเอาเล่าให้ฟัง อาลัมอลอถามเอกฉันเนี่ยให้เกียรติคุณบ้างไหมนี่เราถามคําที่สองนะแล้วก็ถามอีกข้อหนึ่งฉันเนี่ยให้แพะให้อูดให้วัวให้ควายเนี่ยมาบริการคุณให้คุณดูแลขี่มันง่ายๆนะ่ยบ้างหรือเปล่าใช่ไหมสัตว์บางตัวเนี่ยเข้าไปมันเตะก็มีใช่ไหมล่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แพะแกะอู๋ควายเนี่ยมันเชื่องอยู่กับเราที่มันเชื่องเนี่ยใครให้เชื่อง เราจะถามในวันเตี่ยมาแค่นั้นเราต้องขอบคุณอลอลลอฮฺนะเราไปเจอวัวตัวหนึ่งเราลูบปั๊บปั๊บลอมาจับปั๊บมันก็เชื่องเลยนั่นอัลตละ ก, กําหนดให้มาอยู่กับเราแล้วก็เราดูแลมันอย่างดีสังเกตหมานะ่ะคนที่เลี้ยงหมาวลาเาจ้าของมันยกไม้ตีนะมันหมอบนะ่ะใช่ไหมมันหมอบแล้วกันพี่น้องก็นี่เลยมันแม่เลเออลลอให้อ่ะ ก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะอะนะครับต่อมาครับอายาที่เจบมวายะบูดูนามินดูนิลลาฮิมัลัยมลิกุลาหุมริสุขมินอสสิมาอีวลอับและพวกเขาไปสักการะบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ นี่อัลลอฮ์ตำหนินะอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้ามาแผ่นดินมาให้แต่งงานหาผู้หญิงให้ด้วยให้ลูกให้หลานเวลาไปกราบไปสูดหยุดกลับไปสูดหยุดกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮานาะหุวาตาแล้วเดีก็เป็นไงครับสิ่งที่เขาสูดหยูดที่คือเขาขอเดี๋ยวี่เขากลาบนั่น มาลายมลิกุละหุมริสกอมมินัสมะสิ่งต่างๆที่เขาได้กราบสักการะบูชาเนี่ยไม่สามารถที่จะนำเอาเครื่องยังชีพใดๆมาให้เขาได้เลยพวกเราวันนี้นะกราบไม่ใช่กราบสิเราเรียกไรนะ่ะกลัวจิน กลัวยินกลัวยินยินมันดีใจอะยินมันมันเตะท่าเลยนะแต่หามนุษย์คนใดกลัวมันนะนะยินมันขี่หัวเลยฉะนั้นเราต้องไม่กลัวยินต้องไม่กลัวผีฉะนั้นมุสลิมทำตัวเหมือนคนกาเฟสไม่ได้คนกาเฟสน่ะกลัวหมดเลยนะ่ะผีก็กลัวยินก็กลัวเจ้าที่มันก็กลัว เจ้าที่เจ้าที่เนี่ยไม่ใช่เจ้าของโฉนดนะไม่ใช่เจ้ายินผอีอย่างมาแวะบริเวณนี้แทนที่จะมาหาหัวหน้าอบตอบจอิหมามก่อนนะไปหาเจ้าพ่อเจ้าที่ อ, อะไรนะเอาขนมเล็กๆไปวางว่าเจ้าที่จะดูแลหน่อยนี่นะชีริกย่างแรงเลยเอาละวากดกรดชั้นสร้างแผ่นดินมาตั้งใหญ่ต่อโ ต, อตอใช่ไหม ดันไปกราบสิ่งที่ไม่สามารถนำริสกีจากฟากฟ้าและแผ่นดินมาให้คุณได้แล้วคุณไปกราบมันทำไมเนี่ยกราบกราบผีเราต้องไล่ผีไล่ชัยรตอนวิธีไล่ชัยรตอนทำไงให้อ่านสามกุญนจ่เช้าเนี่ยคุณอ ah ah ุลลอฮฺอาฮัดอัลลอฮฺอุสซามัดลัมยาลีดุลลัมยูลาดุลลัมยะกุลละฮฺกูฟุวนะฮัดจะทำอะไรอีกอ่านอายะห์กุรอสี อันอะไรนะอามานอรอสฺฺุบิมาอุนเซลัยลฮิมิรรฺอบิฮิวัลมุมินอันให้จบนะแล้วก็อุนซฺบิคาลิมาติลาฮิตามาติมิชารีมาคลักสมจบบิสมิลลาฮิลลาฮิลายฺดรฺมะอฺไมิฮิชาอฺุมฺฟิลอาร์ิวะลาฟิสซามะวะวัสซามีอุนอาลิอันสจบนี่ไล่ยินไล่พี ให้ท่านเราต้องไม่กลัวผีไม่กลัวยินเพราะยินนมันกลัวเราอยู่แล้วพอเราไปขอจากยินปับ๊บอโหอได้ใจเลยอย่างนี้เหมือนกับเราลถ้าใครรู้ว่ามัน อ, อน่ อ, อนๆขู่เลยคมเลยมันก็เอานื้สารเราไปใช้นั่นแหละอย่างที่เป็นตัวนอกจากคนมีาศาสนาฤๅษีกรมีนาศมาทําไมอัลลอฮฺว่าวริสกีมาจากฟ้าๆเพราะอะไร วันอร์แล้วก็ริสกีมาจากแผ่นดินและมาจากชา้นฟ้าต้องการจะบอกว่าริสกีวันนี้แหล่งมีอยู่สองแ่งเท่านั้นเองริสกีมาจากชา้นฟ้าน้ำฝนอธิบายว่าเป็นน้ำฝนอลอคิดดูสิเนี่ยทีมทีวีที่ถ่ายทอดเนี่ยอะไรอยู่ข้างบนอ่ะดาวอะไรดาวเทียมฟานชันชา้นฟ้ามาันเดสูงเท่าไรแค่นี้ เดือดละล้านานึงอะนี่หาเงินใจ่ายให้มันเดือดละล้านเ <c oughs> นี่ยริสกีอยู่บนชั้นฟ้าหากินบนชั้นฟ้านี่กุรานมันอธิบายนะเราอธิบายเองแต่นี่สิ่งที่เราอธิบายนะคือน้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้าแฝดแหลงริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวัลอัรดีแล้วก็แผ่นดินเนี่ย เอาล่ะคนที่มีที่หน้าซีคอนเนี่ยสักสิไร่เนี่ยรวยมากเอาล่ะแผ่นดินเป็นริสกีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่อย่าลืมนะโลกดุนยาใบนี้น บ, บีสอนปีกยุ่งใครแพงกว่ากันปีกยุง่งถ้าถ้าแผ่นดินใบนี้โลกใบนี้มีค่าเท่ากับปีกยุง่งคนกาเฟสไม่มีสิทธิ์ดื่มนะ้ําแม้แต่คําเดียวแม้แต่อึกเดียวไซนาลีอธิบายอย่างนี้ พูดใหม่พูดใหม่ซนลลีบอกว่าผ้าที่แพงที่สุดคือผ้าไรผ้าไหมทำมาจากอะไรทำมาจากลวอาบุดูดะมาจากน้ำลายนอนตามต้อยหสุดๆนันถึงเราเบาบางนะท่าโลกโดุนยาใบนี้มีราคาเท่ากับเปกยุ่งก็ดูสิผ้าไหมราคาแพงที่สุดวันนี้ ทำมาจากอะไรนำลายผ้านำลายนะนำลายหนอนใช่หรือไม่ใช่ทุกคนรู้หมดแล้วนาพึ่งอะ่ะเป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับร่างกายมาทํามาจากอะไรทํามาจากนี่นะอุจจาระปัสาวะของใครของตัวพึ่งใช่ไหมฉะนั้นโลกดุนยาเปนี่ไม่มีราคานะอัลลอฮฺสุบฮฺฮาตุลาถาถามเรามีราคาไหมทำดุลิลลัย มีที่10บไร่หน้าสี่ข้อนเนี่ยถ่ายปีละปีละสควาเท่านั้นแหละอยู่สบายเลยเราทำมาหากินแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรเมื่อเราเข้าใจแบบนี้แล้วเราต้องแสวงหาอีมานให้เยอะหน่อยนะครับต่อมาครับนี่ไงวายะบูดูนามินดูนิลลาฮิมาลายามริกุลาฮุมริซุกมมินัสชมาอิวัลอารดิชาอั สิ่งต่างๆนอกจากอัลลอฮ์ไม่สามารถนํำริสกีจากชั้นฟ้าและแผ่นดินมาให้คนที่บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ได้เลยวลาลัยสตาติอุนพวกเขาไม่มีความสามารถไม่มีอํานาจที่จะนําเอาริสกีจากฟ้าฟ้ามาให้คนที่บูชาอื่นจากอัลลอฮ์กินริสกีของอัลลอฮ์ใช่ไหมแต่เวลากราบไปกราบใคร ไปกราบสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตาหนิใครตาหนิคนไม่เอาศาสนาไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุภาพนะวะตะนาล่ะเอาพี่น้องอีกอายาหนึ่งนะครับฟาลาตะบริบูลิลลาฮิลอลัมซัลท่านทั้งหลายจงอย่าเปรียบ การอุปมาทางหลายต่ออัลลอฮฺอย่าเปรียบการอุปมาทางหลายต่ออัลลอฮฺอธิบายยังไงครับจะเอาอะไรมาเทียบกับอัลลอฮฺไม่ได้อัลลอฮฺสร้างชั้นฟ้าแล้วใครทําอะไรไมีไหมอัลลอฮฺทำให้เรามีคู่ครองคนอื่นทําได้ไหม อัลลอฮ์นำสัตว์มาเนี่ยแล้วก็ให้สัตว์นั้นมาอะไรนะมาอยู่กับเราเนี่ยไม่ได้วิ่งชนเราสักวันหนึ่งมันอะไรเชื่องอยู่กับเราที่มาขี่มันก็ได้ตีมันก็ได้อะไรก็ได้ใครทาอัลลอฮ์ทำทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ให้เรามีลูกให้มีหลานแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่าลูกหลานคุณอะ่ะมีไว้เพื่อมาดูแลคุณ เราต้องขอบคุณเราลอสุภานะควับท่านทีนี้อย่าไปเปรียบเทียบอุปมาทั้งหลายกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยกตัวอย่างอย่างนี้นะเนี่ย <c oughs> เช่นอัลลอ์อธิบายอย่างนี้นะอธิบายว่ามนุษย์นี่เป็นอย่างนี้เวลาท่านบปนน้องมีอะไรนะ มีทรัพย์สินมีเงินทองยกตัวอย่างนะเวลามีเงินมีทองเนี่ยท่านจะมีลูกท่านจะมีลูกเราก็มีลูกใช่มล่ะมีลูกอยู่ห้าคนยกตัวอย่างเรามีที่ดินเยอะมีบ้านเยอะมีทรัพย์สินเยอะเรามีลูกอยู่ห้าคนแล้วถ้าหากเราเรามีทาสหรือมีคนใช้สักสองสามคนเอาไว้ดูแลทรัพย์สินของเราเนี่ยเป็นคนใช้นะ ที่น้องพอใจแม่งที่จะให้คนชายเนี่ยมีสิทธิ์ในกองมรดกพอใจไหมคนชายเราเนี่ยเวลาเราตายเนี่ยมันมีสิทธิ์ในกองมรดกได้ด้วยแล้วพอใจไหมไม่พอใจใช่ไหมะนะ่ะเพราะเราต้องการมรดกของเรานั้นให้กับใครให้กับลูกของเราคนใช้ได้แค่เงินเดือนนี่ความรู้สึกของคนทั่วไปเป็นอย่างนี้ แต่ ال ال อัลลอ์ต้องการจะอธิบายเป็นกันในเมื่อคุณแค่มีทรัพย์สินอย่างเดียวนะคุณยังหวงเอาไว้เพื่อจะให้ลูกของคุณคุณไม่อยากจะให้คนที่มาช่วยทำงานคุณเราพอใจไหมไม่พอใจที่จะให้ทรัพย์สินเรานั้นตกไปอยู่ในมือของคนอื่นเหมือนกับลูกเราได้รับมรดกจากเราเช่นเดียวกัน ال ال อัลลอฮ์ต้องการจะบอกอย่างนี้ พวกท่านเนี่ยนะอัลล์เนี่ยเป็นแ็่ใดนะเป็นเจ้าของโลกดุนยาใบนี้แต่ทำไมอ่ะพวกท่านไปหุ้นส่วนในสิ่งอื่นเท่ากับอัลลอฮ์ใจมั้ยนะในเมื่อทรัพย์สินของคุณที่มีอยู่เนี่ยคุณให้เฉพาะลูกคุณคุณไม่ให้กับคนที่มาช่วยงานคุณแต่ของของอัลลอฮ์เนี่ยนะ คุณยกเอาอะไรนะเอาคนมาเป็นพระเจ้าเท่าอาลัลลอฮ์คุณเอาอะไรนะต้นกล้วยที่ออกปีกลางต้นใหญ่เท่าอาลัลลอฮ์คุณเอาภูเขาเนี่ยใหญ่เท่าอาลัลลอฮ์คุณเอาดวงอาทิตย์ไปกราบดวงอาทิตย์ใหญ่เท่าอาลัลลอฮ์ทำไมคุณคุณกล้าทํากับฉันนะ่ะทําไมกับทรัพย์สินของคุณนะ่ะคุณไม่กล้าขจรเจ้ามาหนะัะ คุณมีเงินอยู่แค่นี้คุณให้เฉพาะลูกของคุณกับคนอื่นคุณไม่ให้แต่กับฉันเนี่ยคุณทําได้อะกับอัลลอฮ์น่ยคุณทําได้ดูสิให้อัลลอฮ์เนี่ยทออเท่ากับรูปใจเวทเี่มันเคารพบูชาอยู่ดูมันทําดูมันทํานี่อัลลอฮ์ตำหนินะเข้าใจใช่มหมคุณเนี่ยเข้าใจว่าเข้าใจใช่ไหมไม่ยากใช่ไหมนี่ไงนั้นคนเรียนาศาสนาเรียนเรีย น, ยนอลัลลอฮ์ให้ให้ปัญญา เนี่ยพวกกลัวผีทั้งหมดเนี่ยกลัวไชตอนกลัวยินใช่ไหมนะเอาอะไรอะ่ะเอาอาหารบ้างอะไรบ้างไปไปไปไว้เลี่ยงยินยกยินเท่าอัลลอ์ใช่หรือไม่ใช่ไปบูชาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ยกเท่าอัลลอฮ์กับทรัพย์สินของคุณมายอมให้ใครเลยคุณยังหัวงมันาจะของเนี่ยคนอื่นยุ่งไม่ได้ ที่กำชั่นแล้วบอกอัลลอฮ์ยกนั่นยกนั่นเท่าอัลลอฮ์ยกนี่เท่าอัลลอฮ์กาบเสียงอื่นเหมือนอัลลอฮ์ดูมันทำดูมันทำนี่อัลลอฮ์อธิบายให้เราเข้าใจง่ายๆอ่ะเอายะสุดท้ายนะครับพี่น้องอ่าอินนัลลอฮะยะลัมวะอันทุมลาตัลลัมุนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรู้ ว่อันตุมลาตะละมุนแต่สูเจ้าไม่รู้คนที่ไม่อ่านกุรอ่านยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยนี่พรอ่านกุรอ่านปั้บรู้เอาเอาเราจะการจะอธิบายอย่างนี้นะอธิบายอย่างนี้คนกาเฟสนี่นะเปรียบเสมือนแน่นอนคนกาเฟสนะเปรียบเสมือน อะไรดี่ะเปรียบเสมือนทาสเปรียบเสมือนอะไรนะเปรียบเสมือนทาสคนคาเฟ่นะเปรียบเสมือนทาสแล้วก็คนมุมินนะเปรียบเสมือนเป็นเป็นเจ้าของทรัพย์คนที่เป็นทาสเนี่ยจะนำเอาเงินจะหยิบเงินเอาไปใช้ตามใจชอบได้ไหมไม่ได้คนที่เป็นทาส ส่วนคนที่เป็นมุมินเนี่ยอลัลลอฮ์ยกย่องให้เกียรติเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของทรัพย์เลยจะบริจาคกลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ที่ลับก็ได้ที่แจ้งก็ได้ตบกาจะอธิบายอย่างนี้เพราะนั้นอลัลลอฮ์นี่นะยกย่องให้เกียรติผู้ศรัทธาต่ออลัอลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เกียรติคนกาเธอคนที่ไม่เอาเอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เปรียบเสมือนได้เปรียบเสมือนทาส ขนาดทาสเนี่ยจะหยิบเงินของเจ้านายไปจ่ายเองโดยไม่ขออนุญาตได้ไหมได้ไม่ได้ใช่ไหมล่นะวันนี้คนคาเฟ่ก็เหมือนกันทําตัวเหมือนเหมือนเป็นเจ้าของทรัพย์ทําตัวเหม็นเจ้าของทรัพย์ดูสิไปบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺพอใจเปล่า oh, <my> ไม่พอใจทั้งท่านกับตัวเองเป็นทาสขจายใช่ไหม ตัวเองเป็นธาตุอยู่วะนี้อายะกอที่เราเรียนมาเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วมื่อคนกาฟเฟตเปรียบเสมือนต้นไม้ลมอะไรต้นไม้ลมลุกคนมุมินเปรียบเสมือนต้นไม้อะไรต้นไม้อะไรนะต้นไม้ใหญ่อะ่ะใช่ไหมล่ะคนกาฟเฟตเปรียบเสมือนต้นไม้ลมลุกคนมุมินเปรียบเสมือนต้นไม้ ต่อมายืนต้นใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนนี่เราก็เรียนอีกนะ่ะคนกาแฟเปียบเรามือนที่ลอยบนน้ำเขาเรียกอะไรขยะใช่ไหมนะ่ะน้ําขึ้นมันก็ขึ้นตามน้ําลงมันก็ลงตามนัม่นคนกาแฟเดินตามกระแสหมดเลยแต่โมเมนเดินตามกระแสได้ไหมไม่ได้มุเมนต้องอิสตากโมต้องยืนหยัดสังคมจะเป็นยังไงนมาดเราไม่ขาด บวชเราต้องบวชต้องเิีรูลล้อต้องอ่านกูรานนี่คืออิสลามท่านอัลลอฮ์เนยกย่องให้เกีนะยรตินั้นยกย่องมุมินเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ยืนต้นคนกาเฟ่เปรียบเสมือนต้นไม้อะไรนะลมลุกอัลลอฮ์อธิบายอีกคนกาเฟ่เปรียบเสมือนทาสไม่มีสิทธิ์ที่จ ะ, ะได้นะไปเอาเงินมาใช้ จากเจ้านายของเขาตามใจชอบไม่ได้แต่โมมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันนี้เราอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเราจะใช้เงินสักบาทหนึ่งตรงนึกว่าอัลลอฮ์พอใจหรือเปล่าดังนั้นเราต้องจ่ายสกาดต้องทำสตอกก็ต้องทำพอดียากใช่ไหมมีทองหบาทถึงหบาทต้องจ่ายสกาดเราเดินตามตามคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกับเป็นเจ้าของทรัพย์อันแท้จริงเลยนะครับครับเอาวันนี้ ได้ความรู <i wird variance> ้นะอดุลีลากียญทั้งหมด4่อาญะไม่จะครบ5อาญนะครับเอาแล้วก็สุบฮานะกับลลอฮุมะวะบิฮัมดีกัสวลิลฮะอิลลัอันตะอัสตะกลุกอัตุบิลัยวะสลอลัยุมะรมตุลลอฮบราะกาตุ